ช่วงนี้มีทั้งพระทั้งโยมภาวนาดีๆเยอะเลยพวกเราภาวนาเปลี่ยนไปเยอะใจเปลี่ยนผู้ภาวนาส่วนใหญ่น่าเสียดายได้รับประโยชน์จากศาสนาพุทธไม่เท่าที่ควรชาวบ้านส่วนใหญ่ได้แค่ทำทาน ส่วนศีลนะเมื่อไม่เยมีคนรักษาแล้วเ่อี้ทำทานทำคนที่สนใจภาวนาสนใจปฏิบัติก็ไปหยุดอยู่แค่สมาธิมไม่ก้าวขึ้นสู่การเจริญปัญญาตัวนี้น่าเสียดายอุตส่ามีความศรัทธาในพระศาสนาก็ได้แค่สมาธิ สมาธิถึงไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีการสอนกันได้แต่การขั้นเจริญปัญญาเนี่ยถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ไม่มีการสอนเรื่องการเจริญปัญญาสอนอยู่แค่สมาธิตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆคือตอนเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะออกบวชไปเรียนสมาธิจากฤาษี อาราตะดาบทุทัากาดาบท่านไปเรียนสมาธินั้นสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าทานศีลสมาธิมีมาก่อนนี่ท่านเรียนแนละ้วท่านไม่จุใจท่านเห็นว่ามันไม่พ้นทุกข์จริงจะไปเรียนวิธีเจริญปัญญาไม่มีใครสอนได้ต้องหาเอาเองท่านใช้เวลาหาวิธีเจริญปัญญานะหลายปี อาอยู่นานบางคนบอกว่าท่านออกจากวังมานะจนวรนตัสรู้เนี่ยใช้เวลาหกปีบอกเวลาส่วนใหญ่ของท่านใช้ทรมานกายว่างี้หลวงพ่อไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อทีเดียวมันไม่มีหลักฐานบางคนก็ว่าเวลาส่วนใหญ่ใช้ทาสมาธิก็ไม่ค่อยเชื่อมันไม่มีหลักฐาน คือไม่รู้เหมือนกันว่าท่านใช้เวลาหกปีนั้นทำอะไรบ้างรู้แต่ว่าช่วงแรกไปหัดเข้าสมาธิกะลือศีบางคนบอกว่าช่วงนี้ต้องใช้เวลานา น, านกว่าจะเข้าสมาธิได้ไม่นานออกมือระดับนี้ไม่กี่วันก็ทาได้แล้วของเก่าท่านเยอะถ้าดูในชาดกในประวัติของเจ้าชายสิทธาประวัติของพระโพธิสัตว์ จะพบว่าชาติที่ท่านได้อภิญญาห้าเนี่ยเยอะแยะเลยนะไม่เฉพาะแค่สมาธินั้นได้อภิญญาด้วยซ้ำเลยนะอภิญญาหขาดอันที่6หกนั้ว น, นะขาดอาสวัคคายาย น, นะขาดยานที่จะล้างกิเลสขาดตัญญาล้างกิเลสเนื่องจะว่าท่านไปฝึกสมาธินานก็คงไม่ใช่ทรนะมานกายนานคงตาย รวมความแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันสรุปไม่ได้นะไม่ทันท่านหรือทันแล้วตายแล้วลืมไปแล้วะแต่รวมความก็คือาศาสนาพุทธนะมุ่งมาที่ตัวปัญญาเนี่ยตัวสําคัญเลถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีการสอนเรื่องการเจริญปัญญา ส่วนการทำทานการรักษาศีลเงิ น, งานทาสมาธิมีมาตลอดมีมาตลอดไม่ขาดช่วงเรียกว่าสาธารณากุศลเป็นสาธารณากุศลมันเป็นบุญทั่วๆไปไม่เฉพาะาศาสนาพุทธหรอกเขาก็มี่มุสลิมเ็ามีสาการดสาการใครรู้จักไหมสการดสกาศเนีาา่ยถึงปีนะคนที่มีรายได้เนะต้องสละ คล้ายๆภาษีเป็นภาษีทางศาสนาสละแล้วเอาไปช่วยคนที่ยากจนกว่าอะไรเงี้ยเนี่ยเขาก็ทำทานนะเป็นเรื่องดีก็มีสมาธิไหมก็มีการที่เขาละหมาดวันละห้าครั้งคิดถึงพระเจ้าวันละห้าครั้ง่ถ้าเทียบกับศาสนาพุทธก็คือเทวดานุสติการระลึก ถ, ถึงเ ท, เทพนึกถึงเทวดา ก็ได้สมาธิแม้เขาก็มีทําทานก็มีสมาธิก็มีศีลเขามีแม้เขาก็มีศีลอย่างของเขาใช่ไหมมีการดํานินชีวิตอย่างมีระเบียบมีวินัยเข้มงวดกวดขันมากกว่าเราซะอีกดนะังนั้นแค่ทําทานรักษาศีลทําสมาธิศา ส, สนาอื่นก็มีนะมาถึงขั้นเจริญปัญญานะพวกเราต้องเรียนให้มากถ้าเราลืมการเจริญปัญญาก็เท่ากับเราทิ้งศาสนาพุทธไปแล้ว พระพุทธเจ้าสอนบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาถ้าเราปราศจากปัญญาจิตเราจะบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าจิตยังบริสุทธิ์ไม่ได้จิตยังต้องเจอือตรักคนด้วยความทุกข์เสมอไปยังมีความทุกข์ตลอดไปแต่ถ้าจิตเข้าถึงความบริสุทธิ์นะไม่มีอะไรย้อมจิตได้จิตก็ไม่ทุกข์อีก จิตที่มันทุกข์ขึ้นมาได้จิตโดยตัวของมันเป็นตัวรู้จิตโดยตัวของมันไม่ใช่ตัวต้องมาเป็นทุกข์อะไรมันเป็นแค่ตัวรู้เท่านั้นะแต่เพราะกิเลสนะเพราะมันไม่บริสุทธิกิเลสมันย้อมจิตได้มันเลยไม่ใช่ตัวรู้ที่ดีเป็นตัวรู้สปกปรกตัวรู้ที่สปกปรกรู้ผิดๆนะันก็เที่ยวไปหยิบไปชฉวยไปยึดไปถือสิ่งต่างๆขึ้นมาความทุกข์ก็เลยเยอะแยะไปหมดเลย ถ้จิตบริสุทธิ์นะัมันจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างกระทั่งตัวมันเองอาศจรย์ตรงนี้นะมันปล่อยวางกระทั่งตัวมันเองได้ถ้ามันปล่อยวางตัวมันเองได้แล้วมันจะไม่ไปหยิบสวยอะไรขึ้นมาอีกแล้วเพราะสิ่งที่จิตยึดถือเหนียวแน่นที่สุดนะคือตัวจิตเองจิตนั้นแหละยึดถือจิตอย่างเหนียวแน่นที่สุดนะว่าเป็นตัวเราเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งนะรู้สึกไหมนี่ร่างกายของเราใช่ไหม ของเรากับตัวเราคนละเกรดกันนะรู้สึกไหมนี่เป็นร่างกายของเราใช่ไหมเวลาเป็นเบาหวานหมอจะตัดขายอมไหมยอมใช่ไหมยอมตัวเรายังอยู่นะแต่ขาไม่อยู่แล้วขาไม่ใช่ตัวเราผมยาวไปตัดผมได้ไหมตัดได้ใช่ไหมผมไม่ใช่ตัวเราแล้วตอนนี้ถ้าตัดออกไปตัดออกไปถ้าตัดไปได้เรื่อยๆคนเราเนี้ยตัดได้มากที่สุดแค่ไหน หลวพ่อเคยเห็นคนมันไม่มีแขนมีขานะมันก็ยังอยู่ได้ตัดแต่ตัดมากกว่านั้นคงอยู่ยากละบางคนตัดเครื่องในนะตัดลำไส้ออกไปอีกตัดกระเพาะออกไปนะตัดไตออกไปข้างหนึ่งตัดออกไปได้เยอะเหมือนกันนะตอนไหนไม่ดีก็ตัดทิ้งจริ้งๆมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงยอมทิ้งมันได้ถ้ามันนําความทุกข์มาให้เนี่ยแต่ถ้าไอ้นั้นมันทุกข์เพราะว่าเจ็บป่วย ถึงยอมตัดทิ้งเห็นทุกข์เพราะมันเจ็บป่วยเราสามารถเห็นทุกข์ได้ด้วยปัญญาเรามีสติรู้ลงในกายมีสติรู้ลงในใจ mm hmm. เห็นในกายนี้ทุกข์ล้วนๆนะไม่ต้องเจ็บป่วยกว็ทุกข์นะเห็นเนี่ยยอมยอมวางได้เหมือนกันยอมละยอมวางได้เหมือนกันมาหัดเจริญปัญญานะถึงจิตถึงใจจริงๆเห็นเลยจิต มีความอยากเมื่อไรมีความยึดเมื่อไรจิตก็ทุกเมื่อนั้นเนี่ยจะเห็นอย่างนี้จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกเนี่ยทีแรกจะเห็นแค่นี้ก่อนพอวอนามมากเข้ามากเข้ า, า, ขาจะเห็ น, นตัวจิตนั่นแหละตัวทุกตัวนี้พูดภาษามนุษย์เนี่ยฟังไม่เข้าใจละพวกเรารู้สึกไม่ตัวจิตเป็นตัวทุก์เราไม่เห็นหรอกเราจะรู้สึกตัวจิตเนี่ยทุกบ้างสุขบ้างใช่ไหมเรายังไม่เห็นจริงหรือกระทั่งกายดูง่ายกว่าจิตอีกเรายังไม่เห็นเลยว่ากายเป็นตัวทุก รู้สึกไหมกายนี้ทุกบ้างสุขบ้างเนี่ยเรียกว่าเรายังไม่มีปัญญาปัญญาเรายังไม่พอนะเราต้องเรียนนะจนกระทั่งเห็นมีปัญญาเห็นแจ้งเลกายนี้ทุกลุ้นล้วนจิตนี้ทุกลุ้นล้วนความจริงเปนทุกข์ล้วนๆ้นแต่มองไม่เห็นไม่ใช่ว่าแกล้งน้อมใจเชื่อว่าทุกข์ล้วนๆนแต่ความจริงมันทุกข์ล้วนๆวแต่เรายังมองไม่เห็นเท่านั้นเองเรามาพัฒนาสติปัญญาให้แหลมคมนะมันจะเห็นนะ กายนี้ทุกข์ล้วนลว น, ลวนจิตนี้ทุกข์ล้วนๆ้วนถ้เห็นระวางนะวางเหมือนอย่างที่ยอมให้หมอตัดแกนตัดขามันทุกข์ก็ยอมวางนะยอมตัดทิ้งไม่อยากเอาไว้นี่ถ้าสติปัญญาแก่รอบจิงเห็นกายนี้เป็นทุกข์ทั้งก้อนเลยยอมวางนะไม่ต้องให้หมอตัดหรอกเพราะว่ามันทุกข์ทั้งก้อนไม่ต้องใช่ว่าทุกข์บางส่วนนะมันจะปล่อยทั้งตัวเลยพอเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆ้วปล่อยวางกายนะมันจะไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกาย เพราะตาหูจมูกลิ้นกายนั้นก็รวมกันคือกายนั่นเองเมื่อไม่ยึดในตาก็จะไม่ยึดในรูปตายังไม่ยึดเลยจะไปยึดรูปทําไมนะไม่ยึดในหูก็ไม่ยึดในเสียงหูยังไม่ยึดเลยจะไปยึดเสียงทําไมนะจมูกก็ไม่ยึดนะก็ไม่ยึดกลิ่นลิ้นก็ไม่ยึดรสกายไม่ยึดแล้วก็ไม่ยึดสัมผัสที่เย็นร้อนอ่อนแข็งทั้งหลายก็ไม่ยึด เมื่อไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสปรทัพระคือสิ่งที่มากระทบกายเนี่ยเราไม่ยึดสักอย่างมันก็ไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสปรทัพระแล้วมันก็ไม่ยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสปรทัพระถ้าไม่ยึดแล้วมันจะไม่ยินดียินร้ายยังยึดอยู่ยังยินดียินร้ายอยู่อย่างพวกเราวันไหนจิตใจไม่สบายเรายึดเห็นไหมว่าจิตเป็นเราเราไม่ชอบหรอกเรายังยินร้ายอยู่วันไหนจิตเราเป็นบุญเป็นกุศลจิตมีความสุขเรายึดเนี่ยว่าจิตเป็นตัวเราเราชอบเห็นไหมเรายินดีอยู่ ยินดีอยู่ก็ยังยึดอยู่นะยินร้ายอยู่ก็ยังยึดอยู่ภาวนาไปเรื่อยแล้วมทุกข์ล้วนๆนะหนีก็หนีไม่ได้เนีเป็นกลางกับมันไม่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันไม่ยินดีไม่ยินร้ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในปุถะพระการมาราคะและปฏิฆะจะไม่เกิดขึ้นการมาราคะคือความติดอกติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในปุถะพระ ปฏิฆาคือความไม่ชอบใจความลำคาลความหงุดหงิดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลพะนั่นเองนะเมื่อไม่ยึดรูปเสียงกลิ่นรสผลพะแล้วกรรมตามและปฏิฆาก็ไม่มีพระนาคาเนี่ยาไม่ยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลพะกลามและปฏิฆาท่านไม่เกิดขึ้นมาถึงว่าพระนาคาลกรมและปฏิฆาได้เด็ดขาดจริงๆคือไม่ยึดกายนั่นแหละ ถ้าไม่ยึดกายก็ละา ก, กามและปฏิฆาได้ยึดอะไรยึดจิตอย่างเดียวท่านเห็นว่าถ้าจิตนี้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่มีความสุขถ้าจิตไปเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตมีความอยากจิตมีความยึดจะเป็นตัวทุกข์งั้นท่านจะสงวนท่านจะรักษาท่านจะคุ้มครองจิตอย่างดีที่สุดเลยนะร่างกายไม่หวงไม่แหนละแต่จะหวงแหนจิต หาความสุขมาให้มันความสุขของจิตนะก็คือพวกฌานสมาบัติทั้งหลายนะเพราะฉะนักนพระนาคานะยังมีรูปประลาคะยังพึงพอใจในรูปฌานมีอรูปประล้าคะพึงพอใจในอรูปฌานยังมีมานะนะเห็นคนอื่นก็รู้สึกว่ามอมแแมมไปหน่อยเราสว่างกว่าไปเห็นพระราหันเข้าจอยไปนิดนึงทำไมเราไม่สว่างอย่างท่านไม่สะอาดอย่างท่านมีมานะ จิตไม่ดีเท่าเขาหรือจิตดีกว่าเขานะมาอยู่ที่จิตนี้ทั้งนั้นเลยนะมีความฟุ้งซ่านไหมมนะียังมีความฟุ้งซ่านหรือว่าทําไงจะเป็นพระอราหารันต์สักทียังไม่เป็นพระราารอรหันต์ยังดิ้นรนจิตยังเกิดความดิ้นรนตัวที่ความดิ้นรนของจิตนี้เรียกว่าอุทธัจจะสังโยชนะ์ตัวนี้มันสแสวงหาความหลุดพ้นะไม่ใช่ฟุ้งซ่านในกามอย่างอุทธัจจะที่เป็นนิวรณ อุทัศณาที่เป็นนิวรณ์เนี่ยเป็นอุทัศจาในกามนะแต่อุทัศณาสังโยชน์เนี่ยอุทัศณาในธรรมะฟุง้งซ่านในธรรมะนะสแสวงหาธรรมะอยู่เห็นไหมอย่างสงวนรักษาจิตตัวเดียวนะยังมีสังโยชน์ซ่อนอยู่ได้5ตัวนะมีสังโยชน์ซ่อนได้5ตัวฉะนั้นป้องภาวนาจนวันหนึ่งนะเห็นแจ้งจิตนี้เป็นตัวทุกล้นล้วน จิตไม่มีสาระไม่มีแก่นสารเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้มันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารเพราะอะไรบางท่านเห็นว่าจิตนี้ไม่มีสาระแก่นสารเพราะมันไม่เที่ยงบางท่านเห็นว่าจิตไม่มีสาระไม่มีแก่นสารเอาที่เป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะมันเป็นทุกข์บางท่านเห็นว่าจิตนี้ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปอย่างที่ใจอยากผ่องใสได้ก right. ็ย네ังมองได้อีก มองไม่เหมือนมองอย่างของพวกเรามองนะจิตพระนาคามมองเนี่ยมันมองมันมันหมุนหมนนิดเดียวะของเรานี่มันมองนี่มันมืดตึ้ดตือเลยนึกออกไหมเป็นคนละเกรดกันะแต่ว่ามันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นจิตของพระนาคาก็ไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงจิตทรงตัวอยู่ทาไมมีสมาธิบริบูรณ์พระนาคาเพราะไม่มีกามจิตไม่ต้องแล่นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายนะจิตทรงตัวเด่นดวงมีความสุขอยู่นั้น เลยมีสมาธิบริบูรณ์ไม่หลงในกามตัวเดียวสมาธิก็มีนะนี่ต้องฝึกกันมากเลยมากๆากพอปัญญาจะเห็นแจ้งถ้าปัญญาเห็นแจ้งได้ว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจะได้พระนาคาถ้าปัญญาเห็นแจ้งว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆหาสาระแก่นสารเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้จะเป็นพระอระหันตะ์ปล่อยวางจิตแล้วจะไม่ยึดอะไรในโลกหรอกหลวงพ่อนะภาวนาพรรษาแรกนะมันเคยวางนะ วางแล้วมันปตะครุบขึ้นมาอีกรู้สึกว่าเฮ้ยความรู้ยังน้อยเอาอีกหน่อยแต่ต่ก็สูกหลวปู่สุวัตท่านดูเอาบอกเอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกมีแค่นั้นอ่ะไเอาอะไรมันตะครุบขึ้นมาอีกงนั้นปล่อยวางจิตนะยากนะยากมันไม่ยอมวางง่ายๆปล่อยวางกายก็ยากไม่ยอมวางง่ายๆนะแต่กายยังวางง่ายกว่ามันเป็นของหยาบมัเห็นทุกข์ง่าย จิตเป็นของละเอียดเป็นของประณีตเห็นทุกข์ยากพอไหวไหมพอไหวมไหมอธนานาไปนะเจริญปัญญาเนี่ยถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาปัญญาเห็นจริงเลยกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆขันห้าเป็นแต่ทุกข์การที่เห็นว่าขันห้ารูปนามเป็นทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์รู้เลยว่าถ้า ทุกอยู่ส่วนทุกนะไม่เข้าไปหยิบไปช่วยมาก็ไม่เดือดร้อนอะไรถ้ามีความอยากมีความยึดไปหยิบช่วยเอารูปเอานามมาคราวนี้ทุก์มันเข้ามาถึงใจแล้วนะนั้นถึงความอยากเนี่ยเป็นตัวสมตทไทยทให้เราไปหยิบช่วยเอาตัวทุกขเข้ามาทับสมใจตัวเองนะถ้าหมดความอยากนะก็ทกุก็อยู่ส่วนทุกนะไม่ไปหยิบขึ้นมานะตัวตัณหาเป็นตัวสมุทไทย พอจิตไม่มีตัณหาเกิดขึ้นนิพานปรากฏ ต, ต่อหน้าต่อตานี่ตัวนิโรธนะตรงที่เรามีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนะนี่ยเป็นตัวเจริญปัญญานะอาศัยศีลอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาการเจริญในศีลสมาธิปัญญาเรียกว่ามักนะมีศีลก็มีสมาธิมีสมาธิก็มีปัญญาส่งทอดกันมานะสุดท้ายพอมีปัญญานั้นก็ ช้าลางความเห็นผิดไปจิตเข้าถึงความบริสุทธิ์ความเห็นผิดไม่รู้ทุกไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคไม่รู้ว่าขันห้าเป็นทุกพวกเรารู้ไหมว่าขันห้าเป็นทุกพวกเรารู้ไหมกายเป็นทุกพวกเรารู้ไหมใจเป็นทุกไม่รู้หรอกอย่ามาพยักหน้าถ้ารู้ต้องเป็นปลาละหันเรารู้ว่ากายเนี่ยทุกบ้างสุกบ้างใจนี้ทุกบ้างสุกบ้างรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมเราไม่ได้รู้นะว่ากายเป็นทุกใจเป็นทุก เราไม่ได้รู้อริยสัจเราถึงยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนื้อรหัสเจริญสตินะดูของจริงไปเรยมันมันสุกจริงแล้วสุกจริงแล้วดูเข้าไปนะดูไปเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยเห็นทุกข์ล้วนๆนะขันนี่ทุกข์ล้วนๆนี่เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแนะ้วพรเจ้าบอกทุกข์ให้รู้รู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วพอวางขันไปไม่ยึดถือในขันนะสมูทัยไม่เกิดแนละ้วนี่ละสมูทยัยการละสมูทัยไม่ต้องละเป็นคราวๆ เมื่อไรรู้ทุกข์แจมแจ้งเมื่อนั้นละสมุทัยอัตโนมัติตละแล้วไม่เกิดอีกแล้วสมุทัยคือตัณหาไม่มีอีกแล้วเนะพรารู้ความจริงแล้วว่าขันห้าเป็นทุกข์ไม่ไปหยิบไปช่วยขึ้นมาความอยากให้ขันห้าเป็นสุขไม่มีความอยากให้ขั น, นขห้าพ้ น, นทุกข์ก็ไม่มีนะความอยากไม่เกิดขึ้นเลยละแล้วละเลยทีเดียวเท่านั้นแหละนะรู้ทุกข์ในขณะใดก็ละสมุทัยในขณะนั้นละสมุทัยในขณะใดก็แจ้งนิโรธคือพระนิพพานในขณะนั้นการที่รู้ทุกข์ จนกรทั้งล้าสมูทยแจ้งนิโรธขนาดนั้นเรียกว่ามรรคเพราะ น, นทุกสมูทยนิโรธมรรคเกิดในขณะจิตเดียวกันนะอัศจ ร, รรย์ที่สุดเลยนะความรู้แจ้งอริยสรรยัจแจ้งในขณะจิตเดียวนั่นเอง<ม>นะนี่ต้องภาวนานะสู้ตายทำหย่อยๆแย่ๆก็ได้นิดหน่อยได้เท่าที่สมควรจะได้ตัอ้งอกตั้งใจภาวนาไปชาตินี้ยังยากก็ไม่เป็นไรชาติหน้ามันง่าย ถ้าชาตินี้กลัวยากแล้วก็ชาติน้ำก็ยากกว่า น, นี้เพราะนิสัยเสียนะมีคนบอกหลวงปู่โดนว่าเนี่ยจะรอพระสีอานนะไม่อยากภาวนามากรอพระสีอานหลวงปู่โดนบอกไอ้นิสัยไม่ดีอย่างเนี้ยสะสมไปสนะิสมัยพระโคดมานิสัยเสียขี้เกียจขี้คลานท้อแท้ถดถอยไม่ยอมภาวนาสะสมนิสยัยสะสมสันดานอย่างเนี้ยไปเจอพระสีอานสันดานชั่วกว่านี้ีกภาวนาไม่ไหวเลยคนนี้นะ มันต้องสู้นะสู้ตั้งแต่ตอนนี้นะงันภาวนานะนาจบในสมัยพระโคดมได้ก็จบไม่ได้ก็ไปต่อเอาไม่ไม่ยากหรอ ก, กถ้ารู้หลักนะแล้วภาวนาจะมาจำอย่างเดียวไม่ได้เพียเดียวก็ลืมนะต้องภาวนาให้ธรรมะเข้าถึงอกถึงใจจริงๆเลยแล้วภาวนาง่ายเหมือนอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อเช้านี่พระตอนนั้นถ้ายัางไม่บวชไม่ใช่หลวงพ่อนะ ก็เขายิงพลุตกใจจิตก็ตื่นเลยตื่นแล้วก็ลืมลืมอีกถ้าได้ฟังทำตั้งแต่ตอนเด็กๆคงไปริวเลยไปง่ายอ่ะต่อไปตรวจกันบ้านตรวจกันบ้านหน่อยอ่ะเชิญจิตมันไม่มีสมาธิอะค่ะมันจับอารมณ์แน่นเลย <laughs> มันไม่มีสมาธิชนิดลักขณูปนิชฌานนะมันมีอารัมณูปนิชฌานจับอารมณ์ไวนะ้เราก็รู้่านาอยากได้ไหมอยากก็ไม่ได้บังคับไม่ได้ดูออกไหมทําความเข้าใจลงไปมีแต่ของบังคับไม่ได้ธรรมะสอนเราอยู่ตลอดเวลาสอนใจ ล, ลักตลอดใช่ไแต่เราไม่ค่อยเข้าใจาจิตไปจับอารมณ์อยู่เราอยากให้หลุด เราไม่รู้ว่าเขากำลังสอนธรรมะว่าเธอบังคับใช้ไม่ได้เราฉันจะจับเล่นๆอย่างนี้นเธอจะทําไหมแต่ก็เลยดูอาการที่มันจับไ ป, ปก็รู้สึกว่ามันจะจับแน่นมากออนะไม่ยอมปล่อยไ ม, ไม่ตายดูผิดตัวตายต้องดูที่จิตตนเองจิตก็คือไม่ชอบการที่เข้าไปจับนี้ดูผิดที่ไปดูการจับดูการจับเนี่ยจิตส่ อ, อกไปดูนะมันไปจับกันอยู่โน่นเราส่งจิตไปดูให้เรารู้ทันว่าไม่ชอบ ถ้ารู้ทันจิตที่ไม่ชอบจิตเป็นกลางเพราะมันหลุดเลยนะดูผิดที่นะรู้สึกความไม่ชอบมันจะมันจะไม่รุนแรงเหมือนเก่านะคะใช่จะแบบมันจะเนียนอ้อยอิงอ้อยิงอยู่เนี่ยเราดูให้ทันเพราะมันอ่อนแล้วเราเลยไม่ดูมันเรามวนจะไปสนใจดูตัวจับเมื่อไหร่จะปล่อยเมื่อไหร่จะปล่อยเนี่ยเราดูผิดตัวดูไม่ถึงใจถ้าดูเข้ามาถึงจิตถึงใจเราก็จะเห็นว่าใจไม่ชอบ ความไม่ชอบดับสลายวับไปนะจิตเป็นกลางนั้นหลุดเลยเพอจิตเป็นกลางเมื่อไหร่จิตมีสมาธิแล้วจิตมีสมาธิเมื่อไหร่ปัญญาก็เกิดตัวที่ทําให้วางนะคือปัญญาไม่ใช่สมาธินะไม่ใช่ศีลไม่ใช่สมาธิตัวที่ทําให้จิตวางได้คือตัวปัญญาเราั้นปัญญามีหน้าที่ตัดขาดสะบั้นหมดเลยที่ยึดอะไรไว้ปัญญาเกิดจากจิตตั้งมั่นพอมีสมาธินี่จิตเราไม่มีความตั้งมั่นมันยังไหลไปดูให้ที่จับอยู่ เราไม่เห็นจิตที่ไม่ชอบเนี่ยรู้ทันเท้ามาที่จิตนะจิตจะเข้าที่เลยตั้งมั่นเป็นกลางถึงฐานขาดตรงนั้นเลยหลวงพ่อเฉพาคะคือก็ใช้พุโทโธเป็นวิหารธรรมแล้วก็จะรู้บ้างเวลาที่ใจลอยดูบ้างเป็นบางครั้งแล้วก็เวลาที่มีความรู้สึกอะไรที่มาสัมผัสแรงๆตอนนี้มีข้อข้องใจในแง่ที่ว่าโมนีมันมีความกลัวเข้ามาบ่อยอะค่ะ กลัวแล้วมันกลัวเข้าเข้าไปรู้สึกมันกลัวอะไรอ่ะไม่รู้ไม่กลัวเรากลัวอะไรมากที่สุดกลัวตัวเราหายไปแต่ตัวนี้ดูยากนะลึกๆเลยพอพอวนานนะเห็นว่าตัวเราไม่มีต้อกลัวเลยนะไม่มีเหตุมีผลเลยคือยังไม่นึกว่ายังไม่ไปถึงขั้นที่กลัวตัวเองหายแต่มันกลัวอะไรก็ไม่ทราบแล้วพอกลัวแล้วก็จะรู้สึกเศร้าอืม มันจริงๆแล้วลึกๆเลยนะเรามีความรักตัวเองอยู่ที่กลัวได้นะก็พ่อรักตัวเองนะสังเกตตัวนี้ออกไหมไม่ยังไม่ค่อยออกถ้ามันไม่รักตัวเองไม่ต้องกลัวอะไรเลยอย่างกลัวแก่เงี้ยก็พรารักตัวเองเใช่ไหมกลัวเจ็บก็พรารักตัวเองกลัวพลัดพรากก็พรารักตัวเองนะเพราะฉะนั้นเราที่เรากลัวทุกสิ่งทุกอย่างนะลึกๆลงไปก็พ่อรักตัวเองนี่เรามาดูสิ่งที่เรียกว่าตัวตราเอง มันน่ารักแค่ไหนสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราก็คือขันห้านะพูดย่อๆคือกายกับใจน่ารักจริงไหมร่างกายนี้มีความสุขจริงไหมตื่นเช้าขึ้นมาใช่ต้องรีบไปล้างหน้าก่อนหน้าตาดูไม่ได้เลยหน้าเหมือนข้าวมันไก่ต้องไปขับถ่ายใช่ไหมมีภาระเยอะแยะเลยต้องทำอย่างโน้นต้องทำอย่าง น, งางนี้ต้องหาข้าวกินเดี๋ยวก็นั่งอยู่ก็เมื่อยต้องขยับไปขยับมา ลมพัดมาหนาวต้องไปหาเสื้อมาใส่ใส่มากไปร้อนอีกแล้วล้วถอดอีกอะไรเงี้ยเนี่ยภาระทั้งนั้นเลยมีสติตามดูไปเห็นแต่ทุกข์นะทั้งวันทั้งวันนะดูไปแล้วต่อไปมันไม่รักพอมันเลิกรักตัวเองนะความกลัวมจะหายไปเรามีอีกข้อเนค่ะคือเวลาลูก ทำสมาถานั่งสมาธิแล้วมันถึงจุดที่ว่ามันเหมือนกับมันเริ่มรวมรวมมันมันอะไรนะมันเริ่มที่จะเหมือนกับรวมเข้ามาคือมันมีสมาธิมากแล้วแล้วเสร็จแล้วมันก็แล้วไม่รู้จะทําแบบจะเดินปัญญาต่อยังไงะะเวลาทําสมาธิไม่ใช่เวลาเดินปัญญาให้มันรวมไปให้มันพักไปให้เต็มที่พอมันถอยออกจากสมาธิน่ะดูกายดูใจมันทํางานเข้าไปเจริญปัญญาตอนนี้อนะ เวลาทำสมาธิเป็นเวลาพักผ่อนไม่ใช่เวลาทำงานแต่ตอนที่เขาถอนก็คือปล่อยให้เขาถอนของเขาให้เขาถอนตามธรรมชาติอย่าไปดึงขึ้นมาถ้าดึงขึ้นมาจะปวดหัวอ้าอุทัยวันนี้กับเมื่อวานต่างกันยังไงสติเกิดได้เองบ้างแล้วครับครับอันนี้ดีกว่าเมื่อวานแล้วนะคุณหมอก็รู้สึกดูแล้วบางทีเมื่อวานมันยัง เมื่อวานดูแล้วสภาวะมันก็ดับได้ทีวันนี้มันเหมือนมันมันก่ออารมณ์อะครับมันไม่ค่อยตั้มันห้ามไม่ได้นะหมอดูไปเลยจิตนี้เป็นอนัตตามันจะก่ออารมณ์สั่งมันไม่ได้หรอกแม้แตมันสอนใตรักษนะแต่เราไม่ค่อยยอมเราจะเอาดีเราจะเอาดีเราจะเอาสุขนึกออกไหมันฟุ้งมากเลยค่ะอืมฝันอะไรก็รู้เสียงดังหนูกหูาไม่เคยฝันรู้สึก ฟันเสียงดังเลยเหรอฝันน่นมันเหมือนกับยุ่งไปหมดเลยค่ะรู้โหหนวกหูเลยค่ะโอ้อยู่วัดมันเงียบมากก็เลยคิดว่าสงสัยเราพยายามจะไปกดข่มมันหรือเปล่ามันเลยมันมันเลยสิงกัดรู้ไปอย่างที่มันเป็นสินะคะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านะเอาอย่างที่พระเจ้าสอนง่ายๆดูครัาฟิกสูทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ใช่ให้ทำอะไร รู้อย่างที่เขาเป็นไปเขาก็สอนธรรมะเราแนะจิตฟุ้งเขาก็ฟุ้งได้เองรู้สึกไหมสั่งให้สงบ ก, ก็ไม่สงบนีไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับงั้นการภาวนานะที่เราจเจริญปัญญาเนี่ยดูความเป็นใจรักษณ์ของกายของใจไปใจรักษณ์ของกายของใจนะั้นแสดงอยู่ตลอดเวลาแนละ้วแต่เราไม่ชอบเอาใจรักษ์ของกายของใจนะเราอยากเอาดีเอาสุขเอาสงบต่างหากดีมีไหมในโลกมีชั่วคราวสุขมีไหม มีชั่วครา ว, ช ว, ราวใช่ไสงบมีไหมมีชั่วครา ว, ว, ราวหมอลีบบอกไม่มีก่อน <c oughs> ทุกอย่างว่างเปล่าไม่ใช่สิ่งทั้งหลายถ้ามีเหตุมันก็มีขึ้นมานะคำว่าอนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยอนัตตาหมายถึงว่าไม่อยู่ในอานาจบังคับสิ่งทั้งหลายถ้ามีเหตุมันก็มีหมดเหตุมันก็ดับบังคับไม่ได้นี่คืออนัตตาดีมนะีแต่ไม่เที่ยงสุขมีแต่ไม่เที่ยงสงบมีแต่ไม่เที่ยง ถ้าเรามุ่งภาวนาจะเอาดีเอาสุขเอาสงบก็คือมุ่งภาวนาเอาของไม่เที่ยงได้มาแล้วก็เสียไปได้มาแล้วก็เสียไปวันนี้สงบพรุ่งนี้ก็ฟุ้งได้อีกวันนี้ดีพรุ่งนี้ก็ชั่วได้อีกนี่ไหมวันนี้สุขพรุ่งนี้ก็ไม่สุขได้อีกเนี่ยมันหมุนอย่างนี้งั้นเราไปภาวนาเราไม่ได้มุ่งเอาของไม่เที่ยงมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยเรามุ่งเอาความจริงดูให้เห็นความจริงของชีวิตเลยขันนี้มีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความจริงคือไตรลักษ ไม่ใช่ความจริงเป็นปฏิคูณสุภานะอันนั้นเนี่ยไม่ใช่สภาวะที่แท้จริงมันดูลงเป็นไตรลักษณ์ให้ได้เขาแสดงตัวอยู่แล้วตลอดเวลาในกายในใจนี้นะดูจนใจยอมรับความเป็นไตรลักษณ์ของธาตุขันธ์ของกายของใจยอมรับความจริงได้ใจก็อยู่กับโลกที่แปรปรวนแปรปรวนยังไงก็ได้เพราะว่าใจยอมรับความจริงแล้วว่าโลกนี้แปรปรวนนะทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยนี่ภานาจนกระทั่งเราอยู่กับโลกได้อย่างมีความสุขนะ เรียกคนพ้นโลกพ้นจากโลกนะแต่อยู่กับโลกแต่พ้นโลกครูบาอาจารย์ท่านเทียบเหมือนดอกบัวอยู่ในน้ําแต่ไม่เปียกพุ่ขึ้นมาจากโคลนตมนะแต่ไม่เปื้อนจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยอยู่กับโลกนี่แหละแต่ไม่คลุกกับโลกอยู่แล้วมีความสุขส ว, สว่างไสวอยู่โลกก็มืดๆของ ม, ม, มันไปตามเรื่องของมันนะพ่อคะแล้วของหนูเนี่ยหนูใช้หนูคิดมากหนูคิดมากใช้ลมหายใจได้ คิดมากฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเนี่ยเวลาทำสมถะก็ใช้ลมหายใจเอาแต่มีเคล็ดลับอย่าอยากสงบถ้าหายใจแล้วอยากสงบนะจะไม่สงบจิตเหมือนแมวกดให้มันนั่งมันก็จะยืนนะดึงให้มันยืนมันจะลงไปนั่งงั้นอย่าไปบังคับมันหลวงพ่อเนะ่ยชบเปรียบจิตเหมือนตัวน้อนตัวนี้นะที่เข็เปรียบเหมือนเด็กที่เปรียบเหมือนแมวมีตัวอะไรอีก ใครมีจิตเหมือนงูวะนานค่อยกระดิกทีหนึ่ง <c oughs> <c oughs> นอนอา้าวต่อไปใครมีธุระจะคุยกับหลวงพ่อมีเหตุผลมีความจำเป็นจาเป็นนะ <c oughs> ถ้าไม่จำเป็นช่วยตัวเองดีที่สุดอย่างบางวันเอาไปทำซีดีนะมีรายการถามตอบเนี่ยคนชอบฟังเยอะเลย เพรว่ามีหลายเสียงดีฟังหลวงพ่อคนเดียวเบือ่อแล้วฟังไปฟังมาเอ๊ะคนนี้ก็ถามเหมือนที่เราเป็นรู้สึกไหมคนนี้เอ๊ะคนนี้เหมือนที่เราเป็นคนนี้เหมือนที่เราเป็นรู้สึกงี้เรื่อยๆอีกวันฟังเขาถามอะไรเราไม่เป็นไอ้นี่เราก็ไม่รู้ไอ้นี่เราก็ไม่รู้แปลกดีไหมอ้าวเบอร์สิป ลุงพ่อคะช่วงนี้มันรู้สึกว่ามันตามหาความสุขไม่เจออันนี้มันเกิดจากโทสะหรือเปล่าคะมันไม่พอใจก็เป็นโทสะแหละไม่มีความสุขก็เป็นโทสะแหละอย่างเมื่อเช้าที่เทศนะเมื่อไหลจิตไม่แช่มชื่นนะก็เป็นโทสะมูรจิตแล้วไม่ว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนมันก็มีความรู้สึกว่ามันจะเสียใจบางทีอย่างเมื่อเช้าเนี่ยอยู่ๆมันก็เสียใจอยากร้องไห้ขึ้นมาเฉยเลยแบบนี้แค่รู้เฉยๆนะ ไม่ห้ามมันหรอะอย่าไปกลัวมันบางทีกิเลสหลอกเรานะทําให้เราล้อห่มล้อให้เราตกใจกลัวมันยิ่งแกล้งใหญ่เลยรู้มันไปรู้ซื่อๆไม่ต้องไปว่ามันจิตมันเศร้าหมองแล้วก็แค่รู้ว่าเศร้าหมองนะอยากให้หายรู้ว่าอยากเนี่ยดูลงซื่อๆไปไปยี่สิบเจ็ดจิตหนูเขาจะมีปกติกดเจ้าค่ะออืมอย่าไปว ก, กย แล้วก็เวลาดูจะชอบถลำลงไปดูเจ้าคะโอ้เก่งที่รู้ตรงถลำดูเนี่ยรู้ยากนะหนูก็รู้สึกว่าหนูนั่งแบบถลำดูตลอดเลยที่นั่งมาหนูก็รู้สิใจมันโลภเจ้าคะนะใจมันโลภแหละมันถึงเป็นถลำจ้องเอาจ้องเอามันอยากรู้ชัดใช่แล้วปีหนึ่งเนี่ยหนูว่าแบบหนูเป็นกลางมากขึ้นนิดหน่อยอะ่ะเจ้าค่ะดีแล้วล่ะ มีพัฒนาการให้ดูกายไปต่อไปใช่ไหมเจ้าคะได้ดูไปแล้วต้องปรับปรุงอะไรอีกเจ้าค่ะทำสม่าเสมอไหมก็จะทำในรูปแบบนะทำในรูปแบบเจ้าคะทไปเรื่อยเจ็ดอร์เจ้าค่ะอะไรนะยังไม่ร้อยเปเจ้าค่ะให้ได้ยสินะเจ้าค่ะคนเราลงตั้งใจแล้วทำให้ได้เนี่ยเป็นบารมีนะเรื่องอธิฐานะบารมีตัวนี้สำคัญมากเลย เท่าที่หลวงพ่อสังเกตผู้ปฏิบัติดูเนี่ยคนที่เขาได้ผลเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาฉลาดหรือเขาเก่งกล้า ส, สามารถอะไรเหนือกว่าเราแต่เขาเด็ดเดี่ยวเนื้อตัวนี้สําคัญมากเลยเวลาตั้งใจที่จะภาวนานะก็ต้องทําลําบากยากเย็นไงก็ทําำจะเป็นบารามีชื่ออธิษฐานะบารามีนะเป็นความเด็ดเดี่ยวตัวนี้สําคัญหลวงพ่อพุทธเคยสอนหลวงพ่อนะว่าว่าพระเนี่ยภาวนา ตอ น, นั้นเราไม่ได้บวชหรอกแต่ท่านก็เทศให้ฟังบอกว่าตั้งใจตลอปฏิบัตินะต้องทําจริงๆเลยอย่างพระทุกวันจะต้องมีข้อวัด ต, ต้องกวาดวัดต้องกวาดกุฏิต้องอะไรเงี้ยวันหนึ่งท่านป่วยหนักท่านลุกไม่ขึ้นเลยพอถึงเวลากวาดวัดเนี่ยท่านทําไงไหมท่านเอามือนะขยับมือนฝ่าดข้างๆตัววางใจว่ากําลังทําข้อวัดอยู่ นขนาดนี้นะขนาดว่าจะตายไม่ตายแหลยังไม่เลิกเลยนะใกล้จะตายแล้วก็ยังไม่ทิ้งข้อปฏิบัติเพราะตั้งใจว่าจะทำนะหรือบางองค์แต่องค์นี้ไม่ใช่คนยุคเรานะตั้งใจเดินจงกรมจะภาวนาเดินเดินจนเท้าแตกเท้าแตกหมดเลยเดินไม่ได้แล้วเดินไม่ได้ท่านคลาน คลานจนเข่าแตกนะคลานไม่ได้นะท่านลงไปนอนนะกลิ้งไปกลิ้งมานะนอนพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกซ้ายพลิกขวาไปเรื่อยขยับทําความรู้สึกไปเรื่อยเห็นท่าเห็นขาดนี้ทํางานไปเรื่อยถึงขนาดเดินไม่ได้แล้วนะคลานก็ไม่ได้นะนอนพลิกไปพลิกมานะก็เป็นพระอราหันต์นะงั้นตัวความเด็ดเดี่ยวนีนะ่สำคัญมากเลยคารวะนะหลวงพ่อวิจารณ์ซื่อเลยนะสิ่งที่พวกเราขาดนะคือความเด็ดเดี่ยว พระเด็ดเดี่ยวมากกว่าเพราะอะไรอย่างไปมันจะตายมิตายแหล่ะนะมันต้องสู้ตายแหละมันจะสู้ตายอย่างพระเนี่ยเวลากรรมราคะเกิดเนี่ยจะเป็นจะตายนะทุกทรมานมากโยมไม่เป็นอะไรเห็นไหมเมื่องพระนี่สู้เด็ดเดี่ยวมากเลยพระดีๆเป็นยากนะสู้ตายใจต้องแข็งจริงๆเลยใจหลอๆหลายๆเป็นไม่ได้อย่างคนมาขอบวชหลวงพ่อ ให้ไปทบทวนใหม่ซะเป็นส่วนมากนะบาคนขอตั้งหลายปีถึงให้ไปบวชได้ใจไม่แข็งพอมันไม่ได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้กินหรอกนิยมเนี่ยส่วนใหญ่ออนแอไปหน่อยนะอึดนะอึดไหมไม่ต้องเร่งความเพียรหามรุ่งหามค่ำหรอกแต่ทำความเพียรให้สม่ำเสมอสำคัญกว่าเร่งหามรุ่งหามค่ำอีกนะเวอ์ยี่สิบสองหนึ่ง นวัสนการค่ะหลวงพ่อไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมานานมากอะค่ะหลวงพ่อสบายดีอยากได้คําแนะนำอะค่ะหลวงพ่อเพราะว่าคือมันสบายมันมันมันสบายแล้วมันก็สบายของมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ไปไหนสักทีอะค่ะเดินยินดีพอใจไหมมันมันพอใจในความสบายอันนี้จะแหละมันก็ติดสิเวลาจะติดหรือไม่ติดในภาวะอันแดอันหนึ่งนะดูตรงนี้เลยชอบไหมถ้ายินดีพอใจอยู่ก็ติดอยู่งั้นแหละ ก็เป็นราคะเป็นโลภะนะแล้วสร้างภพนิ่งๆว่างๆนี่ขึ้นมาสบายให้รู้ทันว่าใจกาลังชอบอยู่ดูแค่นี้แหละหลุดเองจะหลุดของมันเองเลยแล้วคราวนี้จะเหลือแต่ทุกนะไอ้ที่สบายมานานๆนั่นแหละตีกลับข้างแล้วทุกหนักๆเลยแหะเตรียมตัวรับสถานการณ์แต่เมื่อเช้าหลวงพ่อไม่ไม่ได้เรียกก็แอบเครื่องหลวงพ่อไปก็เอ้ามันโผล่มาจากไหน แล้วถ้าถ้าสมมติในเชิงของสมถะอะค่ะควรจะใช้อะไรเป็นเครื่องอยู่ดีค่ะอะไรก็ได้นะทาสมถะได้ไม่ยากหรอกตอนนี้มันมันเลือกมันเหมือนมันสเปะ ส, สปะมันก็เลยไม่รู้จะเอาสักอันสเอาสักอันเอาอะไรก็เอาะจะหายใจก็เอาจะพูดโทก็เอาเราเราจะดูรู้ได้ยังไงอะคะว่าอันเนี้ยมันเป็นอันที่อันไหนทําแล้วสบายใจเอาอ น, นั้นแหละทําแล้วสบายใจไม่อึดอัดอย่างนั้นใช่ไหมใช่ถ้าทำแล้วอึดอัดเครียดสแสดงว่าไม่ถูกกัจจรลิตหรอกเอาวันที่สบายใจ อยาพวงสมถะเลยตอนนี้มันติดสุกอยู่อย่ า, ยาคิดทําสมถะไม่คือต้องต้องต้องให้ดูตัวนี้ให้มันหลุดจากไอ้ตัวนี้ก่อนให้รู้ทันก่อนรู้ทันนะนใจมันออกมาอยู่ในโลกของมนุษย์อย่างนี้ก่อนตอนนี้นใจมันไปอยู่ในโลกของปลุมโลกยังมีแต่ความสุขอยู่แหละใช่เปล่าใช่คะ่ะความสุขทั้งวนัวนนะั่นแหละเอาเก้าสิบสาม ส่งการบ้านครั้งแรกค่ะคือแยกกายแล้วก็เวทนาเนี่ยมันจะมีการเกิดดับของมันนะนะคะแล้วก็เห็นตัวรู้อยู่แล้วก็เห็นความคิดอื ม, มันจะแยกเป็นส่วนๆนะคะดีๆแล้วครั้นี้เนี่ยมันมีนานๆมันถึงจะเห็นว่าไม่มีตัวเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วมันก็แป๊บเดียวแล้วมันก็กลับมาเห็นไม่เป็นไรนะไม่ต้องไปเรียกร้องมันค่ะ อย่างนี้ไม่ทราบว่ามันเป็นความคิดหรือว่าเห็นจริงๆเห็นะะจริงๆแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือความไม่ชอบใจที่มันจะแทรกเข้ามาะนะจะมีความไม่ชอบใจแทรกเข้ามาเรื่อยๆใหรู้ทันไปแล้วต้องใช่ไหมใช่ค่ะบางทีมันจะมีรู้สึกว่ามั น, ม, นมีความเศร้าอะค่ะเออนะ่มันมีโทสะแทรก <c oughs> เรื่อยๆนะให้รู้ทันมันไป ถ้าไม่รู้ทันนะใจเราเขาจะจมอยู่กับมันก็เศร้าไปนานๆหงุดหงิดเป็นนานๆให้รู้ด้วยความเป็นกลางนะแล้วดูธาตุดูขันนี่ทํางานไปเรื่อยคือทําถูกทางแล <ทำ S 2> ้วใช่ถูกทางนะเพียงแต่ว่าความเศร้ามันแทรกเข้ามาในจิตโทสะมันแทรกเข้าในจิตให้คอยรู้ไวๆท่านนะกลับขอบพระคุณค่ะเมื่อสิเกค่ะกลับธรรมสการค่ะหลวงพ่อคือเหตุมีเหตุการณ์ล่าสุด ที่ที่คือแบบปฏิบัติมาพอสมควรแล้วนะคะแต่พอถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองแบบไม่มีสติอ่ะก็สามารถแบบว่าแม่ออกมาได้อะ่ะก็เลยคิดว่าจะหาวิธีแก้เพราะว่าคือรู้สึกแย่อะรู้ลงปัจจุบันเลยตอนว่าแม่เราก็ขาดสติไปรอบแล้วนะจำไม่ได้ด้วยค่ะว่าพูดออกไปเออตอนตอนนี้ก็ขาดสติอีกรอบหนึ่งไปเศร้าเสียใจถึงอดีตนะ ยามีสติอยู่กับปัจจุบันฝึกเรื่อยๆตาแปมก็หายนะหลวงพ่อคือเราปฏิบัติมาแทบตายนะคือทำบุญทำอะไรทุกอย่างเนี้ยแต่พอถึงเวลาขาสติไปอบายได้เลยอะค่ะได้แต่ว่าไปก็ไม่นานนะเดี๋ยวพอไปมีสติขึ้นมันก็หลุดจากนารกขึ้นมา <c oughs> แต่ตอนนี้หนูใช้วิหารธรรมก็คือพุทโธพุทโธได้ไ้ยได้อยู่กับพุทโธนะไม่ไปอบายง่ายหรอกอ่า <c oughs> แล้ ว, แ ล, ว, แ, ลวแล้วที่ตอนนี้คือมีสติ คือเข้าใจว่าดีขึ้นดีขึ้นนะหลวงพ่อถึงไม่ห่วงหรอกถึงไปอภัยก็ไม่นานขอบคุณค่ะขอบคุณจริงใจไว้เนี่ย <c oughs> อ้เบอร์ส0่สบกรา บ, าบมาสักการหลวงพ่อค่ะคือหนูส่งกันบ้านครั้งแรก <c oughs> อยากทราบว่าหนูจะต้องเริ่มอยากจะภาวนาควรจะเริ่มที่ตรงไหนหนูเห็นกิเลสไหมล่ะ<ถ>เวลากิเลสเกิดรู้ไหมรู้เป็นบางครั้งค่ะรู้บ่อยๆสิ อย่าตระหนีการรู้รู้บ่อยๆต่อไปนี้นะฝึกง่ายๆใจหนีไปคิดรู้ว่าหนีไปคิดถ้ารู้ว่าหนีไปคิดไม่ทันมันก็เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาก็รู้รู้เอาว่าสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เอนะถ้าสุขทุกข์ยังไม่รู้ก็จเกิดกิเลสกิเลสเกิดแล้วก็รู้เอาถ้ากี่เลยเกิดยังไม่รู้อีกอันนี้ช้าไปหน่อยละค่ะแล้วคือถ้าเกิดคือหนูรู้สึกว่าหนู มีช่วงหนึงหนูรู้สึกว่าหนูทุกข์แล้วก็สักพักนึงหนูก็เริ่มคิดได้แล้วก็ปล่อยวางมันไปแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นถามว่าอันนี้คืออยู่ที่ตรงที่สบายใจก็ก็ถือว่าพอแล้วหรือว่าควรอันนั้นเป็นสมถากรรมฐานค่ะเป็นวิธีคมจิตใจให้มีความสงบมีความสุขชั่วคราวคิดในทางดีๆคิดในทางบวกใหามีความสุข ถ้าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะคอยตามรู้ตามดูกายดูใจของเราดูมันทางานไปเรื่อยเราจะเห็นเลยจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเห็นไปทุกวันทุกวันจนใจมันยอมรับความจริงว่าจิตใจมินี้มีแต่ความเปลี่ยนแปลง น, นะมีแต่ของไม่แน่นอนอย่างนี้เราก็เดินวิปัสสนาแต่ยังเวลากลุ้มใจขึ้นมาเราก็คิดทางบวกหายกลุ้มใจนี่เป็นสมถกรรมฐาน สิ่งที่ได้มาคืออะไรความสงบความสบายใจเห็นไหมได้ความสบายเพราะฉะนั้นสมถนะน่ะทําไปแล้วมีความสุขมีความสบายมีปั ส, สนาทําไปแล้วเห็นความจริงความจริงที่ว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็ น, ปนอนัตตาคนละเป้ากันคนละเป้าหมายคนละงานนะแต่ดีทั้งคู่แหละเพราะฉะนั้นเวลาหนูมีเรื่องรุ่มใจหนูคิดทางบวกแลนะจิตใจก็มีความสบายมีความสุข พอจิตใจมีความสุขแล้วมาคอยดูกายเขาทํางานดูใจเขาทํางานต่อไปเช่นใจหนีไปคิดดูออกไหมไปฝึกดูตัวนี้นะหนูดูได้ชัดจิตที่หนีไปคิดดูบ่อยๆถึงวันหนึ่งปัญญามันเกิดมันจะเห็นเลยว่าจิตมันหนีไปคิดได้เองรู้สึกไหมมันหนีไปคิดได้เองไม่ได้สั่งมาเลยมันหนีไปคิดเองเนี่ยดูอย่างนี้เรื่อยนะถึงปัญญามันเกิดไม่ใช่เรานะมันทํางานได้เองนะอย่างนี้เรียกว่าเดินมิปัสสนา ถ้าคิดดีก็สบายใจเป็นสมรถะเบอร์แปดกลับนรัสการครับหกเดือนก่อนผมมาส่งกันบ้านครับพระอาจารย์ให้ไปทำในรูปแบบเพิ่มเติมครับทีนี้เนี่ยก็กลับมาเห็นความเห็นอาการของจิตเนี่ยเกิดดับรวดเร็วแล้วก็ถี่กลับ ม, มาขึ้นเหมือนอก่อนเหมือนอดีขึ้นกว่าที่ตอนตอนตอนแรกๆที่เริ่มทำครับผ ม, มแต่ว่าตอนเนี้ย กับไปติด อ, อย่างก็คือว่าพอเห็นเกิดดับรวดเร็วเนี่ยครับกลับอยากไปดูรายละเอียดของมันนะครับแล้วก็แล้วก็หลงไปไม่เอาสินะครับผมรู้เท่าที่รู้ได้แตแต่ผมผมผมบังคับมันไม่ได้ครับคือพอพอเห็นเกิดดับปุ๊บผมก็อยากจะไปดูรายละเอียดออครับให้รู้ว่าอยากเลยไม่บังคับหรอกถ้ามันจะดูก็ช่างมันนะแต่รู้ทันว่าใจอยาก ครับแต่อาการที่เกิดคือพอพยายามเข้าไปดูครับจะหลงเลยทันทีครับแล้วก็หลงนานด้วยครับเพราเราเรู้ตั้งแต่ต้นทางของมันต้นทางคืออยากดูครับผมนะถ้ารู้ความอยากใจก็ไม่ถลำเข้าไปดูครับถ้ารู้ไม่ทันถลำไปห้ามไม่ได้ครับถ้าใจมันอยากงั้นดูที่ต้นทางนะที่ความอยากนึกออกไหมนึกออกครับนะขอบคุณพระอาจารย์ครับฝึกนะดีขึ้นเยอะละรู้สึกไหมไม่ขันมันแยกออกไปหมด ยังไม่ยังไม่ครับผมรู้สึกไม่โลกมันห่างออกไปรู้สึกครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าเวลาโกรธจะเห็นเร็วขึ้นแต่ว่ากับมีอาการหนึ่งก็คือว่าผมผมโกรธแรงขึ้นแล้วก็แล้วก็อาจจะเป็นเพราะเห็นบ่อยขึ้นก็เลยเห็นว่าตัวเองโกรธบ่อยขึ้นนะครับผมเห็นบ่อยอย่างดีแล้วแต่เดิมมันโกรธแต่ไม่เห็นครับผมแล้วแต่ก่อนเหมือนไม่โกรธเลยเพราะเก็บกดไว้ครับพอเราไม่กดนะมกิเลสมขึ้นมา ถึงบอกพระพรหมเนี่ยระวังนะพระพุทาบอกนะพรหมส่วนมากไปอาบายนะแล้วเดี๋ยวจะดูว่าจริงไหม <c oughs> พอเราบังคับแมาใจ อ, อมีความสี้ทั้งวานเลยนะหลุดจากตรงนี้ร้ายเลยละ่ะต้องทนเอานะถือสีลห้าไว้ร้ายแค่ไหนก็ไม่ลุกรานแค่เอะแต่ใช้ได้แล้วจิตเริ่มหลุดออกจากพรห ม, มโลกแล้วรู้สึกไหม <c oughs> เออ <c oughs> เดี๋ยวจะคอยดูเหมือนนาะ เนี่ยจะเดินต่อต้องไปทางนี้นะไปแจ้แค่แช่เกย อ, อยู่กันไปไม่ได้หรอกหลวงพ่อเคยเสียเวลาอยู่ตรงนี้งั้นเรื่องสมาธินะเราเล่นมานา น, นานจำนาญรู้เลยตรงนี้เป็นเข้าช่องนี้นะนานขนาดไหนก็อยู่ได้นะออกมาแล้วร้ายเนี่ยไม่ได้พูดกลางตําราพูดเลยนะก็ <c oughs> เคยทำเบอร์เก้าสิบ หลวงพ่อคะที่หลวงพ่อบอกว่าภาวนาไปสักพักจะเห็นกายมันเป็นทุกข์อะค่ ะ, คะทุกข์ที่ว่าเนี่ยใช่ความไม่สบายกายไม่สบายใจหรือเปล่าคะอืแต่หนูมีปัญหาคือว่าที่หนูภาวนามาคะ่ะไม่เห็นทุกข์อะเห็นถ้าดูไปที่จิตใจมันจะเห็นจิตใจที่มีความสุขกับเฉยๆค่ะก็เลย <c oughs> สงสัยว่าคือทุกทุกตัวทุกทุกขังอะนะ ทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่สบายกายสบายใจแต่ในนี้มีไม่สบายกายไม่สบายใจไม่มีตัวนี้เป็นทุกขเวทนาส่วนทุกขทุกในไตรลักษณ์ทุกขังเนี่ยหมายถึงภาวะที่ทนอยู่ไม่ได้สังเกตไมมความสุขก็ทนอยู่ไม่ได้ออันนี้เห็นเห็นไหมเฉยเฉยก็ทนอยู่ไม่ได้อันเนี้ยเห็นทุกอ๋ออันนี้เรียกว่าเห็นทุกแล้วอแต่ว่าหนูไม่รู้จักมันเฉยเฉยใช่ไหมไม่รู้ชื่อเหมือนเท่านั้นเห็นสภาวะนะหนูเดินไปอย่างนี้ได้เดินถูกเป๊ะเลย ที่หนูเคยมีปัญหาเรื่องจิตไม่ถึงฐานมาตลอดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดหนูมาดูตัวเองในช่วงเนี้ยจะรู้สึกว่ามันถึงฐานแล้วไม่ทราบว่าดูได้ถูกไหมคะถูกถูกถึงบอกว่าถูกเป้เลยขอบคุณค่ะถ้าจิตถึงฐานนะจิตมีสมาธิเนื้อสมาธิชนิดนี้เป็นสมาธิชั้นเลิศเลยเรียกว่าลักขณูปนิชฌานไม่ใช่สมาธิที่จิตเขาเป็นนิ่งเป็นแนบอยู่ในอารมณ์เดียวอันนะัเรียกอารมณูปนิชฌาน อารามันูปนิชานไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีลัขนูปนิชานจิตทึงตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแล้วเราใช้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วไปเจริญปัญญาดูกายดูใจทํางานนี่ทำวิปัสสนาถ้าไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีแต่จิตที่ถลําไปรู้กายก็ถลําไปในกายรู้ลมถลําไปในลมนี้ไม่เดินวิปัสสนา มันจมลงไปในอารมณ์ไปเพ่งอารมณ์ไปเป็นอารมณนูปนิชานนะที่เราฝึกนี้มีสมาธิอีกชนิดหนึ่งแต่สมาธิชนิดสงบพักผ่อนก็ทำนะทำในรูปแบบไปมันจะได้กำลังที่ทำหนาถูกแล้วล่ะเอาใครจะคุยอีกมีไหมเบอร์80สบเชิญเบอร์80บขอบคระคุณครับหลวงพ่ อ, อ, อผมก็ มีพอสงสัยก็พยายามรู้ว่าสงสัยแต่มีความสงสัยอันหนึ่งที่ปกติพอสงสัยแล้วก็รู้และสักพักนึงก็จะมีคําตอบฟังซีดีหรืออ่านหนังสือก็จะได้คําตอบแต่มีอันนี้ที่สงสัยแล้วไม่ได้คําตอบทักทีก็คือเรื่องปกติพอพอปีใหม่นะครับผมจะพยายามพยายามทําความดีเพิ่มขึ้นหนึ่งอย่างอย่างเช่นสมมุติว่าสมมติว่าตั้งใจว่าจะทําสมาธิ เป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันอย่างเงี้ยครับแล้วผมต้นปีนี้ก็ก็ถามครูบาครูบ า, าก็แนะนำว่าให้ทำสมาธิเพิ่มขึ้นแต่ว่าทาั้งๆที่รู้ว่าก็ทำแล้วดีแต่ว่าก็ยังก็ยังทำได้ไม่สม่ำเสมอคือที่ผมเลยสงสัยว่าถ้าตั้งเป้าว่าคือพยายามบังคับให้ตัวเองทำทุกวันอย่างเงี้ยสมมติว่าบังคับ ยีนาทีไม่ว่าจะกลับบ้านมาดึกแค่ไหนก็ต้องทําให้ได้อย่างนี้มันดีหรือไม่ดีครับดีดีนะเราจะได้ความเด็ดเดี่ยวสงบหรือไม่สงบช่างมันนะไม่หวังผลนะแต่ทําเหตุไปเรืนะ่อยเลยสมาธิเคล็ดลับมันมีวิธีที่จะสงบง่ายอย่าอยากสงบทําอย่างสบายใจทําแบบพักผ่อนแต่ไม่ใช่ทําใจอ่อนๆนะอย่างใจอ่อนๆอย่านี้เดี๋ยวเขาหลับนะทาไปด้วยความรู้สึกตัวหายใจไปด้วยความมีความสุข หายใจไปอย่างมีความสุขเรื่อยๆทำใจให้มีความสุขไว้แล้วหายใจไปไม่นานก็สงบแต่ถ้าทำหวังผลนะไม่สงบใจจะฟุ้งไปบังคับมันไปกดขี่จิตใจจะให้สงบไม่สงบหรอกสมาธิจำเป็นนะจาเป็นถ้าสมาธิไม่พอใจไม่ตั้งมั่นใจไม่เข้าฐานตอนนี้ใจถึงฐานไหมไม่ไม่ถึงไม่ถึงสิสมาธิไม่พอ ที่ครูบาบอกให้ไปทำสมาธิจะถูกแล้วนะแต่ที่ตั้งใจว่าวันปีใหม่จะทำเพิ่มนี่หมายถึงทาทั้งปีหรือเปล่าหรือเฉพาะท ำ, ทำตลอดไปจน<อ>จนสิ้นลงครับโอยสาธุเลยอย่างนั้นแหละดีที่สุดเลยนะน่ายกย่องต้องสู้นะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของคนจริงไม่ใช่เส้นทางอ่อนแอต้องสู้กิเลสนะ่ยยยีเราตลอดเวลาเลย เราบางทีก็คิดว่าคนอื่นย่ำดีเราจริงๆกิเลนเนี่ยขว่หัวเราทั้งวันเลยเราไม่เคยไม่เคยเห็นนะก็ยอมมันด้วยต้องสู้น ะ, อะพอสมควรแก่เวลาละเชิญ